สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้านี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตแปดเรื่องปัญญาคือทรัพย์สมบัติพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในบทที่สองนะครับของพระธรรมสุภาษิตข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคําของเราและสะสมคําบัญชาของเราไว้กับเจ้า กระทำหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเออถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุดหาเงินและสอหาปัญญาอย่างหาสมขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าปัญญาคือทรัพย์สมบัติครับปัญญาคือทรัพย์ พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นทรัพย์สมบัติในบทที่สองนี้เป็นการบรรยายชี้แจงให้ผู้อ่านนั้นได้เห็นถึงพระ พ, พรที่ปัญญาหยิบยื่นให้อย่าลืมนะครับว่าผู้เขียนสุภาษิตนั้นพยายามที่จะสร้างจากนา ม, มาธรรมให้เป็นรูปธรรมคาว่าปัญญานั้นคือนา ม, มาธรรมครับและเขาสร้างให้เป็นรูปธรรมก็ให้คล้ายๆกับเป็นคนครับคนคนนี้ อาจจะชื่อว่าครูปัญญาหรือเป็นผู้ที่สามารถที่จะตะโกนเรียดร้องหรือยื่นให้เพราะฉะนั้นในบทนี้สิ่งที่ทำให้เราเกิดความหนุนใจและมีกำลังใจก็คือสิ่งที่ปัญญาหยิบยื่นให้พระพรที่ปัญญาหยิบยื่นให้ซึ่งเปรียบเสมือนกับสมบัติล้ำค่าครับบทนี้หนุนใจเพราะว่า เป็นความพยายามของปัญญานะครับที่จะให้เราไปสู่ความเรียกว่ามั่งคั่งทางทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็คือว่าคิดเป็นมีทักษะและมีการปฏิบัติการดําเนินชีวิตออกมาพี่น้องครับเราจะต้องจริงจังครับเราจะต้องพยายามที่จะรับปัญญาในฐานะหนทางที่จะนําไปสู่ความเยําเกลงพระเจ้าและคุณงามความดี ก่อนหน้านั้นในบทที่หนึ่งผู้เขียนสุภา ษ, ษิตนั้นได้เตือนว่าเราจะต้องให้เรียกว่าให้ตีค่าราคาของปัญญานั้นสูงมากนะครับและตอนนี้ในบทนี้คำเตือนของเขาคำชักชวนเขาก็ออกมาเป็นเชิงบวกครับก็คือถ้าคุณมีปัญญาคุณได้ปัญญาคุณรับปัญญาไว้คุณก็จะ ได้รลบพระพรและพระพ ร, ะพ ร, ะพรนี้เป็นพระพรเหมือนกับเป็นทรัพย์สมบัติติดตัวคุณตลอดไปซึ่งคุณสามารถใช้เป็นสเสบียงเลี้ยงตัวตลอดชีวิตในบทที่สองนี้ทำให้เราไร้ข้อกังขาครับว่าปัญญานั้นมาจากพระเจ้าและไม่มีใครชื่นชมปัญญาได้ถ้าไม่เลือกแนวทางของพระเจ้าชัดเจนมากนะครับเมื่อเราอ่านบทที่สองนี้นะครับไปเรื่อยเรื่อเราจะพบว่าปัญญานั้นจะเข้ามาในชีวิตของใคร ของคนที่ตั้งใจความรู้จะเป็นที่รมรื่นกับวิญญาณจิตของเขาปัญญานั้นเหมือนกับคนเฉลียวฉลาดที่คอยฟังคอยเฝ้าและคอยเข้าใจชีวิตของเราพี่น้องครับถ้าเราเปรียบเทียบ ว, ว่าปัญญานั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังได้อยู่นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเข้าถึงพระปัญญาที่แท้จริงพระปัญญาที่สูงที่สุดก็คือ องค์พระวเจ้าซึ่งเป็นองค์โลกอสประเด็นต่อไปที่ผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องได้มีโอกาสพิจารณาค่้ควรก็คือแม้ว่าครูปัญญานั้นต้องการให้ผู้คนจะรับเอาท่านไว้แต่ก็รับยากครับไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆใครก็ตามที่ต้องการครูปัญญาก็ต้องพยายามอย่างมากครับเพื่อที่จะได้รูปัญญามา ถ้าความเข้าใจไม่ได้มาอย่างง่ายดายแล้วเราควรพยายามอย่างยิ่งยวดที่เราจะได้มันเราต้องเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยและศึกษาอย่างขยันขันแข็งในการที่จะรับปัญญาฝ่ายวิญญาณมากกว่าปัญญาทางวิชาการปัญญาฝ่ายวิญญาณนั้นก็คือความยำเกรงพระเจ้าครับเราเน้นถึงความกลัวหมายถึงความยำเกรงและเราเน้น เรื่องความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและยิ่งไปกว่านั้นเราเน้นประการที่สามก็คือว่าเราเน้นความเสน่หสนมพี่น้องครับการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าต้องมีอย่างน้อยสามอย่างอย่างแรกคือความเกรงกลัวพระเจ้าครับอย่างที่สองเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและอย่างที่สามเราต้องเน้นเรื่องความเสนิหสนมหรือว่าอินเทเมซี่ยยำเกรงพระเจ้านั้นก็คือ รีเ R E V E R E ร e v e r ความรู้ของพระเจ้าก็คือ wisdom หรือคำว่า knowledge และความสนิทสนมก็คือ acy, i ิน i m a c y I N T I M A C Y i n t i m เ c y สามอย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่เราจะเข้ามาหาปัญญาหรือเข้ามาถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการปัญญาต้องการครูปัญญาต้องการพระปัญญานะครับเราต้องมีสามอย่างนี้คือการยำเกรงหรือเกรงกลัวพระเจ้าเราต้องมีความรู้ของพระเจ้าเราต้องมีความสนิทสนมความยำเกรงได้มายัางไงครับความยำเกรงได้มาเพราะเกิดจากการที่เรารู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนและพระองค์ทรงบริสุทธิ์ขนาดไหน และพระองค์ทรงวิคานุภาพสูงสุดขนาดไหนและพระองค์สามารถที่จะให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเราโดยอำนาจอธิปไตยของพระองค์ได้มากนอนขนาดไหนและเมื่อเราเห็นถึงสภาพของพระเจ้ายิ่งใหญ่บริสุทธิ์ยุติธรรมและมีอำนาจอธิปไตยสูงสุดเราจะต้องยำเกรงพระเจ้า เราต้องเกรงกลัวพระเจ้าเราจะต้องรักษาชีวิตของเราไม่ทํำบาปอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองก็คือความรู้ในเรื่องของพระเจ้านั่นเกิดจากความสัจการสะสมการเรียนพระเจ้าของพระเจ้าการอ่านพระเจนะของพระเจ้าการฟังพระเจ้าของพระเจ้าและการศึกษาพิจารณาใค่ครวนย่อยพระเจ้าของพระเจ้าอันนี้คือความรู้ความรู้นั้นต้องสะสมครับ ต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้ประการที่สามก็คือความเสนิทสนมเราจะได้มาอย่างไรครับความเสนิทสนมนั้นจะได้มาด้วยการอธิษฐานครับแล้วก็ด้วยการนิ่งพิจารณาให้ครวญและสรรเสริญพูดคุยกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์มีการความคิดถึงพระองค์บ่อยๆ อ, อย่างสม่าเสมอ มีความรู้สึกซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามีความรู้สึกภาษาไว้ลึเรียกว่าอินหรือทัชนะครับก็คือเราอินกับความสัมพันธ์อันดื่มด่ำลึกซึ้งกับพระเจ้านะครับนี่คือสามลักษณะในการที่เราจะได้ปัญญาและปัญญานั้นก็จะเป็นทรัพย์สมบัติติดตัวเราจนเราจากโลกนี้ไปมีผู้หนึ่งครับ ได้เขียนว่าอย่างนี้บายว่าการรับปัญญาฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ใช่เป็นงานอดิเรกไม่ใช่เป็นการไปโบทสัปดาห์ละครั้งแต่มันเป็นวิในยประจำวันตลอดชีวิตในยุคของเตาไมโครเวฟอาหารจานด่วนโทรศัพท์มือถือหนังสือที่รวบรวมบทความและหนังสือที่ทําแบบง่ายๆจำนวนมากมายมหาศาลนั้นทาให้หลายคนนั้น ก็ทิ้งนิสัยการลงทุนประจําวันในเรื่องเวลาใช้เวลาให้เวลากับพระเจ้าและพลังงานในเรื่องของการพยายามในการศึกษาพระชนะของพระองคขุดลึกเข้าไปในพระธรมทีและเรียนรู้จากปัญญาของพระเจ้าโทรทัศน์ทําให้ความสนใจของพวกเราสั้นความบันเทิงทางศาสนาที่แฝงตัว อยู่ตามกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆทำให้ความอยากฝ่ายวิญญาณของเราอ่อนแอและความรู้ฝ่ายวิญญาณของเราก็ไม่พอและไม่น่าพอใจต่อาการเติบโตของจิตวิญญาณของเราจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนเข้าโบสถ์น้อยลงน้อยลงและใช้เวลาที่จะบริสุทธิ์น้อยลงน้อยลงและผู้คนมากหน้าหลายตา ก็กลายเป็นเหยื่อของศัตรูที่ซุ่มโจมตีระหว่างทางที่เดินไปสู่เป้าหมายของชีวิตพี่น้องครับนี่คือความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องรับครูปัญญาหรือพระปัญญาหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้เพื่อที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาเราจะใช้เวลาที่จะบริสุทธิ์เราจะพอใจต่อจิตวิญญานในการเติบโตของเรา หากว่าเราพยายามและเราขอพระเจ้าที่ให้เราเติบโตอาเมน